ไม่มองเห็นไม่มองเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วสิ่งที่ผิดที่ถูกองยังแบวกว่ า, ายเขาไปสอนให้เห็นของใสาารรกระจ่างแจ้งขึ้นมาสอนเทวดาสอนอินทร์สอนพรมก็เช่นเดียวกันพวกเทวดาพวกอิฐพวกโคมันค่อยเบาบางหน่อยอยังชั่ว มนุษย์เนี่ยแสนยากที่สุดแต่ว่ายากก็ตามเถอะถ้ามันไม่ยากอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่มาสอนสอนสิ่งที่ ย, ยากนะี่แหละมนุษย์ตะเของสอนยากจึงมาเกิดในมนุษย์จึงมาวัดขึ้นในมนุษย์นี่แหละสอนมนุษย์อันพวกย่างยากนี่แหละเห็นล่ควุมชั่วได้เมื่อล่ชั่วได้แล้วเกิลดล่าเด็ดขาด ผมสามารถกระหารยิ่งกว่าเ ท, าทวดาเทวดาคนทำชั่วทำผิดเนี่ยระองค์ยค่อยสอนเทวดาเ ท, ว ด, ทวดาเอ็นพรมไม่ผิดจากสิงมีสินห้าสินแปดอมันไม่ต้องสอนอยากอ่ะมนุษย์เราทำชั่วดหล่ะสอนใน้ละชั่วทั้งละ สิ่งที่ตนทำชั่วแต่ละใดดุดเด็ดขาจึงกลายเป็นคนดีขึ้นมาอย่างฟังคุริมานเป็นต้นหากคนถึงเก้าสิบเก้าคนหรือ <c oughs> ม, มากกว่านั้นขึ้นไปกวนั้นอีกเหลอที่จะนบับจะนับไดเก้า9เก้าคนนั้นอีกคนหนึ่งยางถึงพันคน เห็นผู้ที่เจ้าดีใจว่าจะได้ถึงพันทอนคนนี้แ่ะเห็นก็วิ่งติดตามเลยนห้หาในะูุทีเจ้าองยืนยืนเฉยเฉยไม่ได้วิ่งหรอกเราก็คอยก่อนเพืหาจับหน้าโคตรงคอยแล้วก่อนยุดก่อนอย่าวิ่งให้ยุดยุดก่อนนะ ก็บอกว่ายุดแล้วนะคำว่ายุดแล้วครับนั่นนะทําไมจึงงวยหยุดพระสมณะพระดมท่านว่าทําไมจึงจงวยหยุดเราวิ่งตามแทบตายเหนื่อยแทยบตายเ <c oughs> นื้อที่เนื้อหารพระองค์หยุดอยู่จะคล้ายกับว่าวิ่งเหนื่อยพแรงอลย บอกว่าพรองค์หยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวเพิ่งบินเขาบอกว่าหยุดแล้วหยุดทําไมทำไมแล้วโกดมโกหกหนิเราไม่อีกเราหยุดแล้วนราไม่โกหกเรายุดจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นน่ะคําพูดเคาว่ายุดจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นน่ะมันกินใจทางปริมาณเลย เราไม่ฆ่าจัดแล้วเดี๋ยวนี้เราหยุดแล้วมาคิดถึงตัวของตัวของตนเราฆ่าจัดจล้โขหังเราวยังจะฆ่าอีกสักเห็นผู้ที่อย่า ง, งจะฆ่าอีกสักอนั้นเรายังไม่หยุดคำโขขงว่าหยุดในอาสนเลยลึถึงใจลึกเข้าไปถึงใจเย็นว่าพอเปถึงไว้ใจเกิดฉลดสังเวชขึ้นมา เชงยอมสระอาวุธนัางตเข้าหาพระริจาคมองเทศแต่ฝังอยู่ในจมีตานุตโลอย่างนี้แหละพรกองค์ใครยะไปสอนได้อย่างนั้นเที่ยวดูเทียวด้เห็นผมเป็นของมี <c oughs> ชินสมบูรณ์เลยขอมือนมีธรรมะสมบูรณ์แล้วอันนั้นมันของสอนง่ายมนุษย์ของเรานี้แสนยากแต่ว่าสอนได้เล้วดีเหลือมันเหลือเทวุเทวดาครับอันนี้ริสาทวสาอธิสัทธ์เทวมนุษย์ศ า, าสานษษานะของพระพุทธเจ้าจีกของเราแล้วค่ะนี่น้องขอม้าเรา ทำยังไงเราจะเก็ดอย่างพุทธเจ้าอย่างนุตโลย่างพุทธเจ้าพระองค์สอนพระองค์เองแล้วถ้ามาพระองค์แล้วฝึกหัดดัดกายวาจใใจขององค์แล้วเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทําตัวอย่างให้คนอื่นเห็นตางนั่นเนของสําคัญ เราฝึกหัดแล้วอะไรยังเดี๋ยวนี้เราอบรมฝึกหัดตัวของเราแล้วเย่างนี้เราจะฝึกหัดได้แค่ไหนอบรมตัวของเราได้เปลี่ยนแค่ไห น, นนั่นเป็นเรื่องของพุทดธเจ้าเอาเรื่องของเราขายนี่พระองค์ก็ฝึกหัดกายไว้กับใจนี่แหละชินสมาที่ปัญญานี่แหละไม่ได้ฝึกหัดที่อื่นอก ฟั้นฮัตรตองผมศีลของเราสมบูรณ์เลยอย่างสมาธิของเราแน่นแฟนแ้เลยอย่างปัญญางเราเฉียบแหลมเลอย่างเพียงแค่ไหนมันได้เพียงแค่ไหนไแล้วมาฮัดอบรมตัวของเราเนี่ย <c oughs> มาพืปนตัวของเราเนี่ย เมื่อฝึกฝนตรองเอาแล้วคนอื่นเป็นตามเราขังนี้เป็นไปตามเราเขาไม่ทำเ้วก็ดีแล้วเขาทํเาเขาทำก็พอดีกับเราก็ได้ชื่อว่าฝึกหัดเขาด้วยเขาไม่ทำตามเราก็ดีพอแล้วนี่ยังได้ชื่อว่าปุริสาสตร์ภาษาที คำว่าฝึกหัดบุรุษนั้นนะไม่ได้พูดถึงเรื่องสตรีปุริสาธรรมาสาสีสัทธาทั้งกล่าวถึงเรื่องบุรุษบุรุษ น, นหมายความถึงผู้กล้าหาญผู้ยิ่งก็ชา่างผู้ตายก็ต่ำการกล้าหาญ น, นเรียกว่าบุรุษเหมือนกันถึงนั้นบุรุษหมายถึงความกล้าหาญ ก้าหารอะไรไม่ใชกล้าอาหารต่อสู้ศัตรูข่าศึกภายนอกก้าหารต่อสู้กับข่าศึกภายในเช่นว่าสินห้าเราไม่มีเราก้าหารต่อสู้ชำระสินห้าใด ภาพสัตวรลักซาพุ่ยคิดไม่ช้าจางกาบของหงสสวัสดิ์ดือนสุราเ ไ, ไรยชิดหาข้อนี้มันเป็นศัตรูของเราเราก้าหารต่อสู้ได้จนนั้มันลาภภาพยอมแพ้เราทั้งหมดคือเราไม่มันไม่กลับเกิดขึ้นมาอีกนั่นแหละต่อสู้เป็นเป็นปรุตร น, นะ พรองค์ก็หัดอันนี้แหะหัดจะสินห้าเนี่ยไปโปรงยึงในเทศสนาสินห้าเป็นตน้นมนุษย์มีสินห้าเป็นต้นเ น, นี่ยก่อนพูดถือพุ้จะศาสนานับถือพุ้จศาสนาต้องมีสินห้าเป็นตน้นถือศาสนาแต่วันไม่มีที่ฐาน ก็เพียงแต่ว่าถือเฉยเฉยไม่ปฏิบัติตามความถือนะั่นแะถือได้หรอถื อ, อได้ก็ถือได้หรอถืออยู่กับมือนะ่ะไม่ได้เข้าถึงจิตถึงใจไม่ไปฏิบัติถึงภายในถือแล้วมาปฏิบัติลองดูสิ ถือศาสนาต้องเอาคาปฏิบัติลองมันยังถึงศ า, ธธาสตร์ตาศาสนาตัองสอนกายว่าใาใจคาปฏิบัติที่กายว่าใจใจลองดูเองมันถึงถึงศาสนาแท้ทีเดียวอันนี้ถือแต่เพียงกายเพียงแค่มือถือเฉยไม่ปฏิบัติได้ถึงใจ อันนีเรียกว่าอนุดดาวโรวิสาธรรมศาตีศัทธาเป็นครูเป็นศาสต่างเอกของมนุษย์ชาวโลกตลอดทั้งแต่บทเอระวาณอิงของมดเป็นครูอย่างยิ่งเป็นครูอวิเศษสูงสุดกว่ามนุษย์ชาวโลกที่ผ่านการทรมานศัตรูที่ผ่ากันอบรมศัตรที่เลี้ยวเชี่ยวชามฉราที่สุดแลยังสูง่้กุฎิเจ้าไม่ได้ โอ้ค oh, ันี้เบิกบานนะคันนี้เมื่อจิตใจและภงได้ทรมานเต็มที่แล้วฝึกฝนอารมณ์ตนเต็มที่แล้วก็เบิกบานธนูประมาเปรียบมันก็ดอกบัวที่ออกเต็มที่เบิกบานเต็มที่ เห็นมดทุกปีทุกเยสสทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็แบ่มดความรู้ของพระองค์มีเท่าไหร่เอามาเปิดเผยม ด, ดคนเรานั้นไม่เข้าใจให้เฉยๆเลย <c oughs> เข้าใจว่าพระองค์ไม่เอามาเปิดเผยคือว่าไม่เข้าใจธรรมะของพระองค์อันนี้ ผู้ได้เห็นจริงมันก็ไม่ไม่เห็นด้วยให้รู้จริงก็ไม่รู้ด้วยนั่นปิดตรงนั้นตรงไม่รู้โดยตรงไม่เห็นนั่นแต่แท้ที่จริงพระองค์เปิดเผยว่าทุกสิงอย่างพองคเบิกบานจึงได้ประกาศโคตรชดาเรื่องสัจธรรมทั้งหลาย ไปในที่ทุกแห่งทุกหนประกาศโฆษณาเบิกบานมดทุกสิง่งพระอไม่มีปกปิดกับบัท่านอรุภามาเปลี่ยนมันกัคนที่กรมของไว้ในมือแล้วแบออกมดเห็นมดทุกสิ่งทุกอย่างพูดอย่างง่ายๆก็อย่างไรเรื่องศิลหาเลยเนะะ ไม่ปกปิดไม่เป็นไม่ปกไม่ปกปิดเลยฆ้าสัตว์ไม่ต้องปกปิดว่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้บรรดาสัตว์ต่างพวงหมดไม่ให้ขาตัวมีชีวิตไม่ว่ายากพี่น้องของเราหรือว่าของเราของเขาไม่ว่าทั้งนั้นอะ่ะไม่ขาทั้งหมดฆ่าได้บาปมันเป็นบาป นั่นเองโทษไม่ปกปิดซับก็เหมือนกันตกลงว่าลักสิ่งใดก็ตามเถอะถ้าเจตนาตั้งใจลักแล้วนิดหน่อยก็เป็นรลักถึงเขาไม่รู้ก็เรียกว่ารลักเรียกว่าขโมยของเขาแล้วพิชิตเพชรช้าจางก็เหมือนกันกาวของห้วงมาสวาเตรมสุราม่ไรกเหมือนกัน ถ้าเจตนาตั้งใจจะล่วงแล้วเมื่อดในสิกขาบทนั่นแนวเป็นนั้นว่าผิดทั้งหมดเนี่ยไม่ปิดบังอย่างนี้ <c oughs> เบิกบานอย่างนี้ควงขวงกระจายาไปด้วยประการอย่างนี้นะพุทโธไปกัผูเ้เบิกบาน ในพระไธหงหุมย่เมเจียมใส่ตลอดเวลาไม่มีการเศร้าหมองพวมหาเปรียบดังว่าเพชรจันทิศใส ส, สองสว่างเต็มที่ในวันเดือนผิดถึงมีเมฆหมอกกำบงังเมืม่อเมื่อถึงแต่หมอกแต่เมฆแต่ดงจันทร์ใสสว่างจ่า เมื่อไม่อบอกพ้นไปแล้วมันก็ใสเยึดตามเดิมนั่นเรียวกว่าพุทธโธพระาแล้วกันจำแนกแจ ก, กจ่ายทำทั้งหลายจำแนกแยกจ่ายแบมดตั้งแต่สินที่ระบาสินทาขอนี่ย แจก ไ, ไปคนใดจะรักษาชิ้นห้ากระแจกเข้ไปคนใดจะรักษาชิ้นแตปดแจกออกไปคนใดนีความสามารถรักษาชิ้นจิตชิ้นร้อยก็แจกออกไปชิ้นจิตเป็นยังงกันชิ้นสองร้อยยี่สิบชิ้เจ็ดเป็นยังงนั่นชิ้นห้าเป็น 4, ชิ้นแปดเป็นยังไงนั้นแม้ที่สุดจะ่นเลยตำถา ยินดีพอใจอย่างนั้นทําบุญอย่างนั้นนั้นเตร่องสายจะทายอย่างนั้นได้บุญอย่างนั้นนั้นอธิบ า, ายออกไปัหมดแจกออกไปหมดพระองค์แจกออกไปเอาไปให้แต่ละคนละคนผู้ใดมีความสามารถอย่างใดใค้รับเอาอย่างนั้นพระองค์ไม่แตดีพระองค์ไม่ผงแหน แต่เอาพูดรักนันจะรับเรือไม่รับก่อนแล้วแต่บุคคลผู้จะเอาพูามากก็ได้มากผู้เอาน้อยก็ไน้อยจึงว่าประขาวแต่พูดแก่พูดใจญพูดไ้อัคตาโรจะตถาคตาตาปมกันจากเป็นผู้สอนผู้บอกผู้กล่าวเฉย เมื่อให้ไปแล้วพรองก็ไม่ได้ทวงเอาชิ้นหาชิ้นแปดชิ้นสิบก็ไม่สเอาชิ้นองเ้อยยี่สิบเจ็ดก็ไม่ได้ทวงเอาทำบุญนําทานรักษาการกุศลต่างๆท้องก็ไม่ได้ทวงเอาไม่ได้ถวงเอาคืนมาให้คนนั้นเลยเมื่อคนนั้นได้แล้วคนนั้นก็เป็นคนดี คนนั่นกันได้ชื่อว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์โดยจะได้ให้ศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าจารณะครบบริบูรณ์คิดด้วยถ้าหากว่าเราลับคำสอนขอพไปเจ้าได้คัะ โงแจกเราเราบาเอาไรกก่อนจะลักเอาชักน้อยชักเล็กน้อยตา่างๆเอชิ้นห้านี่เอาเือ ท, ทำทางเาอาลากเอจริงๆเงยจังเอาเ น, น, นมาไว้จริงๆไงจ๊ะสอนธรรม ท, ทานการกุศลนันี้ก่อนลกเอ า, าอยจริงๆเงยจัปฏิบัติปนกิจวัตรชิ้นห้าข้อนี่่อนลากเอาปกิจวัตรจริงๆ ชิ้นแปดก็รับเอาเป็นกิจวัตรจริงๆแม่ขาดตกบกครองอุดมสมบูรณ์เลยด้วยศิ้นด้วยทานบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไหมล่ะทัานหาว่ามีสิ้นหาชิ้นแปดชิ้นจิตสมบูรณ์บริบูรณ์จะสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นสุขสบายไหม ตะมาคิดว่าเมืองมนุษย์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นเดียวด่าไปได้ไดคนเราอยากจะได้ความสุขแต่หากไม่ผ่ากับปฏิบัติมันจะได้มาจากไหนไม่ปฏิบัติตามศีลห้าข้อก็เสื่อมศูนย์มดทุกสิ่งทุกอย่างกดี ต้นเหตุมันอยู่ชิ้นห้าขอนี่เท่านั้นแหละความคิพหายของมนุษย์ชาวโลกก็ข อ, อชิ้นห้าไว้มีนั่นเองโลกจะวุ่นวายเดือดร้อนกับพ่อชิ้นห้าไว้มีนั่นเองเมื่อชิ้นห้ามีก็เกิดวุ่นวายกันเดือดร้อนกันทุกยอมงยากนานนะเข้าก็เป็นซัดฐานได้แลกลับ คิดหนาแน่เดือกิเลสไม่มีธรร ม, มาเป็นเครื่องอยู่คือสินหาหาไปเถิดหาความสุขความสบายไม่ได้ดอกลองคิดดูหาความสุขความสบายหาอยู่หากินหาเข้าของเงินทองกรพัพทุกอย่างเอาไว้มาเพียรจะได้ความสุขเพื่อควมทุก ชินห้ามีมันจะสุกมาจากไหนหาไว้ามากมันกับพนชิกนั่นหแหละสิท่ายตีกันหมดแะไรสิมันจะได้ประสกมาจากไหนทั้งชิ้นห้ามีแล้วหมดเรื่องมีน้อยมีมากก็เลยตามเรื่องของใครขึ้นมาหากินตามกําลังท่เอตามกําลังกายกําลังว่าจ้างไครขึ้นมา มันก็หมดเรื่องมไม่เบียดเบียนหาแตงเงินจะช่องไว้มาก ไ, ไมหาไว้หลายนอนไ่หราบท้ อ, อีกก็เพราะไม่มีสิ้นห า, านนี่นี่อธิบายมาในวันนี้สามบทคือว่าต่อจากบรรพาก่อนปุริษาธรรมสาเทถาเทวโนษานัง เระุเจ้าเป็นส า, าสดาเอกฝึกพานุษ์บุรุษใช้หญิงตลอดทั้ทงเทวดาอินพรหมหาบุรุษค้นหาสารทีนในจะเปรียบเหมือนพระองค์ไม่ได้ผุโทโอนผู้เบิกบานพัะเขาวาผู้แจกจ่ายทำทั้งหาย แจกจ่ายใส่กำมือของใครก็มัทุกข์ขดทุกคนผู้ใดผู้ใดเอามากก็ได้มากผู้ใดเอาน้อยก็ได้น้อยผู้มีสถานแก่กล้าก็ได้มากผู้มีสถานน้อยก็ได้น้อยเพราะเาวแจกจ่ายแจกปันสิ่งพัไม่เลือกหนักใครมาปฏิบัติ เขาเรียกว่าแกนะคนนั้นหมดอ่ะไม่เรียงของแข็งแล้วส่วนตัวเราเอาหนึ่เอาที่ปา่านวันนี้ทอดที่ย์แม่ํำปากากามหายอยู่หัว ก, กินู้เดียวลูกชายลรวบุเรียงบวดูแกมาคิดถึงเรื่องกระตนิวก็ได้เวที ไอ้การทที่ว่ากตัตเตนิวกัตเวทีเดี๋ยวพอเลี้ยงแม่มันก็มีวะทําทนั้นน่ะทำนั้นนี่มันหายไปทีไรจะตายไล้ว่แะแกเข้าใจว่าทำมนันต้องตายกตัตเตนินตวกัวเเตเวทีต้องตายแต่แกเลยมาทําบุนหาได้มอเขาได้มอเขาแล้วหนีไปอยู่ในป่าแกก่อไฟขึ้น ตัวบุคคหูแกงคนทำบุญทาทานาพี่ตายจะก่อนนวลไปได้แทนได้ไปทาบุญในปา่าเวลาทบุญน่าะเปีมมทั้งมอหน่ะเนี่บอกอละยังก็เทียมเมื่อทบุญหาบุญกระดิวก็จะเวทีในปา่าเดือดร้อนนี่ไปยินกล่าบทั้งเรื่องไปยินมาหา ยเงยังยังมาเดินแล้วทำบุญหาทำมาอันที่ว่ากัตเตนิโอกัตเวิธีมันตายไปธี่ไหเดินทำบุนหาก่อนเน้าเลยนพอมัวตายดอกยังอยู่อันหนักกัตเตนิโวกัตเตวิทียังอันหนักมัตายยังลูกคลายเงี้ยแล้วก็เลี้ยงกวดูนี่แล้วก็เห็นเลี้ยงเห็นดูมันยังเมียนอยู่กินเมียนเด้อมันยังมียังรวยยันเด มมมมไม่ให้เกี่ยวไม้กงไม่ให้เกี่ยวยมนเราไปยื ไ, ไปขู่วังคับให้ลูกอ่านได้ทาไมต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแมงพอทนี่ย่อแม่ทุกยากลำบากกากขู่เข็นจะตีอ๋มันยังยอมมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแมแน่กลับคือมาเลี้ยงเดออันนี้ก็ยืนบอกมาแล้วอะน่ มันตายไป้วุ่นมันนั่นมันกระเยอยู่ไปเท่เไหร่ก็ตายดนเดี๋ยวนี้มันไมอินไม่ส่ออยทีไม่ส่อยคนออกมันแคงว่าทอทิพย์มัเนาะแล้วไปสมุดเราเคยก็มายังไงพิจารณายังไงก็ให้พิจารณาตามเรื่องอ่นะ แต่ว่าให้ตั้งสติให้เ ค, ค, คร่งให้เคร่งขัดตั้งสติเฉพาะตัวจิตจิตอยู่ตรงไหนตั้งสติตรงนั้นดัละรักษาสติให้ควบคุมจิตให้อยู่แนว่วแนว่กับสติเดียวอย่าเพิ่ให้มันออกไป ฮัตสติเนี่ยให้แกกลา้าจนกระทั่งมันอยู่ใ น, น้านาาของตนเห็นอยู่นะเรียกว่าอยูนอำนาาของเราอย่าให้มันทรงสายมันพาเราไปจนไม่ไม่มีสติเรียกว่าเราอยอำนาาของจิตเมื่อตั้งสติก็นดจิตอยู่แล้วมันห่างมีแบบ เรื่องความรู้มันกเกิดจากนั้นนะคนเราไม่สังเกตเฉยๆถ้าตั้งสติขนดจิต ด, ดีๆล้วมันสังเกตดูใจจิตอันนั้นมันอยู่นหน้าของเราว่าจิตมันผ่องใสสะอาดเห็นอยู่ทุกขณะและมันหากสอสแสดงขึ้นมา สอขึ้นมาในนั้นอยากรู้อยากเห็นในข้อสอบข้งมาตนะแต่ว่าอย่าไปอยากรู้มันหากรู้ขึ้นมาเองจิตไม่เคยไม่ถึงว่มันอยู่สักเท่าไหร่ก็ตามเถอะมันให้มีแววอยู่ในตัวมีแววว้าเกิดขึ้นมาในนั้นเราจับวันนั้นาพิจารณาจับวันนั้นม คิดคนต่อไปนี่ถ้าพูดถึงเรื่องจิตมันมีแววอย่างนั้นเนะ่ยมันก็ต้องออกไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจิตยังว่ามันถึงขนาดนั้นถ้าพุทโธเป็นเครื่องอยู่เสก่อนเนื่อกับพุทโธพุทโธให้อยู่กับพุทโธนั่นแหละสเสตียควบคุมอยู่กับพุทโธน่ะ เมื่อพุทโธอยู่กับจิตจิตอยู่กับพุติควบคุมพุทโธกับจิตแต่เดียวนนะนขนาดนัะนการควบคุมจิตเดแล้วพุทโธหายไปหมดยังเหลือจิตกายังควบคุมพุทโธไม่อยู่มันอกี้ยังไว้หายก่อนจิตก็ยังไว้ <c oughs> ไม่ใชนทิ้งพุทโธให้อยู่กับพุทโธก่อน ไม่คิดอยู่แนวแน่เต็มที่แล้วผู้โต้หายวดัดยังเหลือใ จ, จิตอันเดียวจิตกับไอ้จิตกับสติเทนะ่านั้นอ่ะอยู่ผู้เดียวนะ